และใครเล่าจะเป็นคนมั่งมีแต่เพราะความกระหายอยากโน่นอยากนี่ตั้งหากเราจึงบังคับให้มนุษย์ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาดอกไม้ย่อมมีหลายลำดับคือดอกตูมดอกแย้ม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 แล้วท่านก็จะได้ไม่ดีใจจนลืมตัวเมื่อรุ่งเรืองจะได้ไม่เสียน้ำตาเศร้าโศกเมื่อร่วงโรยจิตของคนในโลกย่อมไหลไปตามกระแสโลกบางคนติดหรือพอใจในทรัพย์ ก็ถือเรื่องทรัพย์เป็นสําคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในรูปก็ถือรูปเป็นสําคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในชาติสกุลก็ถือชาติสกุลเป็นสําคัญที่สุดคนเราจะเป็นคนเลวคนดีเพราะชาติสกุลก็หาไม่แต่เลวดีเพราะการกระทําต่างหากนอกจากนั้นทรัพย์และสกุลวงศ์ มิได้ทําให้คนบริสุทธิ์สะอาดได้คนจะบริสุทธิ์สะอาดได้จะต้องประกอบด้วยการกระทําความรู้ธรรมะและศีลการคลองชีพอันอุดมคือการต้องอยู่ในศีลธรรมนั้นต่างหากที่ทําให้ผู้เกิดมาแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์